พระธรรมเทศนาแผ่นที่57ลำดับที่23โดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่29มกราคม2557ณวัดป่าสุทาวาสจังหวัดสกลนครมีชื่อเรื่องว่าหลวงปู่มั่นท่านคือ ต้นตระกูลพระกรรมฐานต่งใจฟังหลวงพ่อจะกล่าวอะไรให้ฟังคณะศรัทธาญาติโยมวันนี้เป็นวันมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเพราะเป็นวันปฐมเรือว่าเป็นวันคบรบรอบ หลวงปู่ของเราหลวงปู่มั่นของเราถึงห4บี่ปีในยุคนี้สมัยนี้ก็หลวงปู่ของเราเป็นต้นตระกูลต้นตระกูลของพระกรรมฐานในภาคอีสานหรือทางภาคเหนือทั่วประเทศที่เป็ น, นศิทธิานุสิทธิขององค์หลวงปู่มั่นเพราะนั้นจึงถือว่าวันนี้เป็นวัน มหามงคลอย่างยิ่งที่พวกเราคณะสัทยธธา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าทั้งฝ่ายพระสงฆ์และฝ่ายครวาดได้พร้อมใจกันมาแสดงออกซึ่งความเคารพแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตวเวทิตาในองคหลวงปู่ของพวกเราหลวงปู่ของเราท่านมรณภาพ ปี 2,492 แล้วก็ได้ไปชุมเพลิงวันที่วันที่สองและ ว, วันที่สาม 2,493 จากนั้นมาถึงวันนี้เป็นเวลา64ปีที่วัดสุทธวาดจังหวัดสกลนครแห่งนี้ แล้วก็หลวงปูหลวงตามหาบัวได้มาสร้างพิพิธภัณฑ์ด้วยความปรารถของดอเอรเชาองคมนตรีดรเชาณสิรวัลท่านได้มากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทางอีสานจากนั้นท่านก็อยากจะมาดูว่าที่ประชุมเพิงหรือว่า ที่ประชุมเพลิงของหลวงปู่มั่นนักที่ใดท่านก็มาดูพอมาดูก็มาเห็นอัฏฐบริขารของหลวงปู่มั่นอยู่ที่กุฏิกุฏิก็ในช่วงนั้นหลวงปู่มหาทองสุขของเราที่เป็นเจ้าอาวาสท่านก็ได้มรณภาพผ่านไปแล้วก็ยังผู้ที่มาดูแลช่วงนั้นก็ยัง บุญบารมีก็ยังไม่เพียงพอกุติที่บรรจุอัฐบริขารหลวงปู่มั่นก็หลังคาล่วกระจกแตกที่ใส่อัฐบริขารท่านองค์ข้านตรีดรชาลมาเห็นแล้วก็โอ้อันนี้เป็นเจดีย์ของสิทธิานุสิทธตควรจะเก็บให้เป็นสัดส่วนท่านก็เลยเข้าไปกราบองค์หลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวก็เห็นด้วยเพราะว่าท่านก็เคารพ ในองหลวงปู่มั่นยังสุดจิตสุดใจอยู่แล้วจากนั้นจึงได้เขียนแบบแปลนออกมาอันนี้คือแปลนของอาจารย์ไขสีตันสิริเป็นผู้ออกแบบเป็นสถาปนิกจากนั้นพอออกแบบออกมาแล้วก็นี่นะท่านองค์ข้อมนตรีดเรเชาวท่านก็เป็นประธานทางฝ่ายคารวาตกนิมนต์ พ่อแม่ครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนั้นก็ยังครบมีหลวงปู่เทศหลวงปู่ฟัน่นหลวงปู่ต่างๆแต่ยุคนั้นสมัยนั้นก็คือหลวงปู่แว่นที่เป็นเจ้าอาวารักษาการอยู่ที่นี่หลวงพ่อทําไมจึงรู้พราหลวงพ่อเป็นพระอยู่ที่วัดป่าบ้านตาดในการเคลื่อนไหวไปมาของสกนจธาญาติโยมตลอดถึงองค์หลวงปู่ ของเราพอหลวงพ่ออยู่ที่วัดป่าบานตาดปี 2,512 อยู่ตั้งแต่ 2,512 จนถึง2 5 2 5แต่เจดีพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นกับปีพศออ 2,518 นะถ้าหลวงพ่อจำไม่ผิดแต่ยังไม่ได้ดูก็ถามถามดูว่าเป็นปีไหนที่พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นตรงพ่อว่าคงจะ ถ้าว่าพวกศรัทธา ญ, ญาติโยมสงสัยก็คงจะสอบถามได้แต่นางพ่อไม่ได้ถามในรายละเอียดนะอันแรกคือความเป็นมาของพิพิธภัณฑ์จากนั้นองค์หลวงตาของเราเมื่อสร้างพิพิธภัณฑ์จบแล้วท่านก็มากราบมาไหว้โดยสม่ำเสมอโดยนาทีแะ้ ว, ว่าโค้งสุดท้าย องหลวงตาที่ท่านป่วยปีสุดท้ายท่านเข้ามากราบพิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นมากราบด้วยความซึ้งใจจริงๆถ้าใครได้เห็นที่องค์หลวงตามากราบแล้วก็ท่านมากราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของท่านด้วยความถึงใจกราบแต่ละครั้งใช้เวลานานมากท่านนั่งประนมมือทั้งที่อายุท่านอายุ90้ากว่าปี ถ้าใครได้เห็นแล้วก็ซึ้งในจิตในใจเพราะนั้นพิ พ, ธพิธภัณฑ์แห่งนี้ถือว่าเป็นธงชยัยหรีกว่าเป็นหลักชัยหรือว่าเป็นหลักของวงการของพระกรรมฐานเพราะนั้นอัออธรรพภาพเองหรือหลวงพ่อพอได้รับอาราธนาหลวงพ่อจึงถือเสมือนว่ามาเชิดชูบูชา ตระ ก, กูลของเราคือต้นตระ ก, กูลของเราคือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะฉะนั้นพวกเราคณะสัทยาญาติโยมลูกหลานทุกหมู่เหล่าที่มาในวันนี้ก็ถือว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งเป็นบุญกุศลของพวกเราท่านทั้งหลายลต่อนนี้ไป หลวงพ่อจะเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้เมื่อแสดงธรรมจบลงแล้วหลวงพ่อได้เตรียม MP3 ที่หลวงพ่อได้แสดงหรือได้เทศในสถานที่ต่างๆเพื่อจะเอามาแจกคณะทา ญ, ญาทโยมลูกหลานท้าวาผู้ใดสนใจก็คอยรับได้เมื่อหลวงพ่อเทศจบลงแล้วถ้าว่าฟังเทศวันนี้ยังไม่จูใจก็คอยรับ MP3 ของหลวงพ่อได้นะ คณะสัตยายญาติโยมลูกหลานทุกคนเอาต่อนี้ไปหลวงพ่อจะแสดงธรรมแล้วนะที่นี่นะแล้วก็กล้องถ่ายรูปถ้าเป็นไปได้ก็ให้อยู่ในความสงบซะก่อน เ, อเมื่อหลวงพ่อเทศหรือว่าแสดงธรรมจบลงแล้วจะถ่ายรูป ก, ก็ไม่ว่ากันแต่ขณะที่หลวงพ่อกำลังพูดนี่อย่างน้อยก็เดินป่วนเปียน ทำให้ผู้นั่งฟังเสียสมาธิในการฟังถ้าเขาว่าถ่ายรูปก็มามีแฟดก็หลวงพ่อเองก็เสียสมาธิในการพูเพราะนั้นขอให้พวกเราอยู่ในความสงบนานทีปีหนปีหนึ่งก็มีครั้งหนึ่งหลวงพ่อก็ไม่ใช่มาจะมาแสดงธรรมทุกวี่ทุกวันก่อนที่จะมาได้ก็ใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าที่จะมาถึงที่นี่ เพราะนั้นการที่จะมาที่นี่ก็มาด้วยความตั้งใจและอาจจะจ ะ, จะพูดสิ่งไหนออกไปก็พูดด้วยความตั้งใจอีกเหมือนกันเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกท่านตั้งใจฟังเพราะว่าการฟังหรือว่าการฟังด้วยดีหรือว่าการฟังครูบาอาจารย์แต่ละองค์ท่านแสดงความคิดเห็นอย่างไรการกรองออกมาจากอย่างไรจากใจของท่านเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ ในนามของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เหล่านั้นเหมือนกันสูสังและเ ต, เตปัญญงผู้ฟังด้วยดียอมได้ปัญญาถ้าฟังคราวนี้ก็ここได้แนวความรู้อย่างหนึง่งแต่ฟังครั้งต่อไปก็ここได้ความรู้อีกอย่างหนึง่งฟังครูบาอาจารย์แต่ละองค์สุดแท้ท่านจะจิบยกเรื่องอะไรมาพูดให้กับพวกเราได้ฟังได้ศึกษาล้วนแล้วจะเป็นแนวความคิด ในทางพระพุทธศาสนาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าในธรรมคำสั่งสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นการฟังยังจะไปถือว่าเป็นของออใกล้ไม่ได้ถือว่าเป็นการศึกษาถ้าหากว่าในครั้งพระพุทธเจ้าพระพุองค์หรือพระอรหันต์ที่ท่านแสดงธรรมก็ได้สำเร็จมักสำเร็จผลมากต่อมากเพราะเหตุไร ผู้ฟังธทมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังสิ่งไหนที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วไม่เข้าใจชัดก็จะเข้าใจชัดขึ้นบรรเทาความสงสัยเสียได้ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ขณะฟังจิตใจของผู้ฟังจะได้รับความสงบได้รับความผ่องใสอันนี้แหะคือการฟังถ้าตั้งใจฟังสุดตมยะปัญญาปัญญาเกิดจากการได้ยินได้ฟัง จินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการจินตนาไข้ควรทบทวนสิ่งที่ดียินได้ฟังแล้วนั้นมีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนผิดและถูกอย่างไรอันนี้เขาว่าจินตามายะปัญญาปัญญาเกิดจากการไข้ควรทบทวนสิ่งที่ได้ยินได้ฟังภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาทําจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบหนึ่งเป็นหนึ่งแล้ว ก็นำมาพิจารณาไตรตรองเหตุและผลที่ได้ยินได้ฟังมาแล้วนั้นเกิดปัญญาสามารถที่จะตัดกิเลสราคะโทสะโมหะออกจา ก, กจิตใจของพวกเราได้เนี่แหละการฟังถ้าฟังด้วยดีย่อมได้ปัญญาถ้าไม่ได้ตั้งใจฟังแล้วก็จะไม่เกิดประโยชน์และยังจะเกิดโทษสำหรับผู้ฟังอีกต่างหากเพราะนั้นวันนี้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 ปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตัมมังคาเมวาจะทิวาทันจะเนวายาทิวาทะเลยัะทะอรหันโตวิหรันติตังภูมิมานะเฉยยะตังตีติ วันนี้เป็นวันที่พวกเราแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตวเวทิตาที่ได้ยกว่าปูชาจะปูชนียานังบูชาบุคคลที่ควรบูชาหลวงปู่มั่นของพวกเราเป็นต้นตระกูลของพระกรรมฐานเป็นผู้ชี้นำเป็นผู้นำทางเ อ, อ่อเป็นนายก เป็นผู้นําทางสําหรับสิทธิานุสิทธิ์ทั้งหลายเป็นที่ยอมรับกันทั่วนหน้าเพราะเหตุไรเพราะว่าท่านเป็นผู้แนะนําสั่งสอนพระธรรมคําสอนนําพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้านํามาประยุกต์ใช้แล้วก็เมื่อนํามาสั่งสอนสิทธิาณุสิทธิ์ทั้งหลายก็ยอมรับกันทั่วนหน้าแล้วท่านจุตินิรพานไป อธิธาต์ของท่านกระดูกของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นอยู่ในที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้และก็ไม่ใช่แห่งนี้แห่งเดียวที่ขั้นท่านผู้ใดถือเอาไปกราบไปไหว้ก็ยอมรับกันทั่วนาว่าอธิธาต์ขององค์หลวงปู่มั่นได้กลายเป็นพระธาตุเป็นจริงจริงที่แปลกประาดสําหรับพวกเราท่านทั้งหลายแต่ท่านไม่แปลกประหลาดสําหรับ ผู้ที่รู้เท่ารู้เรื่องบอกว่านี่แหละคือกระดูกของพระอรหรันต์ะัทาติของพระอรหันต์เพราะนั้นพวกเราในฐานะสิทย์ญาณศสิทธิลูกหลานทั้งหลายได้เกิดมาสุดท้ายภายหลังได้ฟังพระธรรมคำสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์พวกพวกเราท่านก็ไดอ้อย่างได้เห็นอย่างต่ําตาตําใจของพวกเราพวกเราท่านทั้งหลายน่าจะภาคภูมิใจอย่างมาก ที่เกิดมาได้พบพระพุทธศาสนาได้พบพระธรรมคำสอนแล้วก็ได้ฟังโอวาทของท่านนี่แหละแต่วันนี้หลวงพ่อเองกับผมเองจะไม่คำว่าแสดงธรรมหรือแสดงความคิดเห็นกระผมจะไม่ขอกล่าวอย่างนั้นเพียงแต่ว่าจะขอบอกกล่าวเล่องวันแนะนำอยากจะให้พวกเราคณะสิทธิญนุสิต แนวแถวสายหลวงปู่มั่นอย่าให้ออกนอกลู่นอกทางให้ไปแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์พาดำเนินมาเพยพือพ่อใดจึงพูดอย่างนั้นเพราะว่าต้นตระกูลของเราก็คือหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เป็นประมาจาย์แต่ท่านจะศึกษามาจากองค์ไหนอันนั้นเราไม่มีใครเป็นผู้ได้เขียนประวัติเอาไว้ แต่ถึงจะมีประวัติก็ไม่ชัดเจนแต่องค์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นที่เป็นสิทยิ์ญาณสิทธิ์ของท่านมีมหาป ร, รีญญหลายองค์ที่ได้เข้าไปศึกษากับองค์หลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นท่านก็ได้เขียนแนวทางระหว่าประวัติขององค์หลวงปู่ทั้งสองให้เป็นประวัติเป็นแนวทางหรือว่าเป็นแนวความคิดจากนั้น พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราก็คือหลวงปู่เทศหลวงปู่อ่อนหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่ขาวหลวงปู่กองมาหลวงปู่ลงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่แหวนหลวงพ่อเลมีมากคือเป็นสิทธิ์ยาวในสิทธิ์ขององค์หลวงปู่มั่นทั้งนั้นอันนั้นคือหลวงปู่มั่นคือเป็นพ่อ ครูบาอาจารย์ที่เราไล่เลี้ยงลงมาคือลูกแต่พวกเราท่านทั้งหลายในฐานะเป็นหลานท่นี้นี่แหละคือลูกหลานต่อไปกันเหลนแต่ลูกของท่านที่พวกเราได้ฟังได้ศึกษาแนวทางของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราอย่างหลวงพ่อเนี่ยก็คือเป็นเนนของหลวงปู่ล่าและจากนั้นก็ได้มาอยู่กับหลวงปู่จาม ก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่มั่นแล้วก็ไปอยู่กับหลวงปู่แหวนสุจินโนที่ดอยแม่ปังจากนั้นก็อยู่กับองค์หลวงตาเป็นเวลาสิบสีปีอันนี้ก็คือถือว่าเป็นพ่อเออเป็นพ่อถือว่าเป็นพ่อของพวกเราแต่พวกเราพวกลูกหลานทุกคนหรือว่าน้องๆทั้งหลายที่เป็นพระสงฆ์ ก็ศึกษามาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แต่ละองค์ที่เป็นสายของหลวงปู่มั่นเพราะฉนั้นหลวงพ่อเองอยากจะให้พวกน้องๆลูกหลานทั้งหลายให้ยึดแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราให้มั่นคงคือไม่ให้วันไหวไกวแหว่วงเพราะโลกสมัยยุคสมัยนี้น่าเป็นห่วงเพราะว่าหลวงปู่ท่านสอนแล้วก็ครูบาอาจารย์ของพวกเรา ก็สอนพวกเราแต่พอมาถึงพวกเราถึงรุ่นหลานเนี่ยมากทีนี่พอมากทีนี้ก่อนานาจิตตังนาน า, นาทัศนะอาจจะมองไม่เห็นแนวแถวคือความจะเสียหายหรือจะทําความเสียหายให้เกิดขึ้นในตระกูลของพวกเราเ อ, อยากจะมีชื่อมีเสียงบ้างอยากจะมียศถาบรรดาศักดิ์บ้ า, บาง อ, อยากจะให้คนนกยกย่องนับถือเลื่อมใสบ้าง แต่ลืมแนวทางปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพาดำเนินอย่างไรท่านมักน้อยสันโดษอย่างไรท่านอยู่วยความสมมาตรอย่างไรสิ่งเหล่านี้อยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายน้องๆทั้งหลายให้ดูแต่ท้งนี้ท้งนั้นไม่ใช่หลวงพ่อเองเป็นผู้บอกกล่าวเป็นแต่ว่าพี่น้องทั้งหลายเนอะตระกูลของเราทั้งหลายเนอะ ก็ขอให้มองมองแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไว้เนอให้เดินตามหลังให้เดินแนวตามแนวแถวปฏิปทาของท่านพาดําเนินถ้าพูดแบบคําพังเผยก็ว่าเดินตามาผู้ใหญ่หมาไม่กัดฮะ อ, อันนี้ก็เหมือนกันถ้าเดินตามแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราแล้วมีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวถ้าว่าพวกเรา เดินออกนอกลู่นอกทางต่อไปภายภาคหน้าพวกน้องๆของเราเหรนเหรนห ล, ลานห ล, ลานเหรนหลานหลานเหลนของพวกเร า, เาท่านจะเดินอย่างไรพราะนั้นขอให้พวกเราท่านทั้งหลายให้ยึดแนวแถวพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นแต่ทั้งนี้ทางนั้นกระผมเองหรืออาตมาภาพเองมิใช่ใจแคบว่าทําไมไม่เดินไปแนวแถวสายอื่น เพราะพ่ อ, พ อ, พ อ, พอแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มั่นท่านสอนให้ภาวนาพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธขาขวาพุทขาซ้ายโธเมื่อเดินจงกลมเพราะฉะนั้นถ้าองค์อื่นท่านแนะนำสักสั่งสอนอย่างอื่น เ, เราก็ไม่ว่ากันเพราะพระพุทธเจ้าวางกรรมฐานไว้ทั้ง40อย่าง40กรรมฐานหรือมากกว่านั้นถ้าพวกเราได้ศึกษาในพระไตรปิฎก แต่หลวงปู่มั่นของเราท่านนํามาประยุกต์ใช้สองอย่างอาณาปานสติกับบริกรรมพุทโธสองอย่างมาผนวกกันเพราะนั้นจึงว่าสายหลวงปู่มั่นหรือว่าสายภาวนาพุทโธเพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายที่เป็นสิทธญาณวิสิตก็เหมือนกับวิชาอาชีพหนึ่งหลวงปู่มั่นในท่านสอนวิชาอาชีพหนึ่งอย่างวิชาทำหน้าเนี่ยกตัวอย่างนะ เราวิชาทำนาหลวงปู่มั่นสอนวิชาทำนาวิชาทำน า, เ, าเมื่อทำนาเสร็จแล้วก็ได้ข้าวเลี้ยงตัวเองทำมาค้าขายาได้เงินแต่วิชาอื่นละ่ะวิชากฎหมายละ่ะวิชาครูละ่ะ ว, วิชาปลูกมันสัมปะหลังวิชาปลูกยางวิชาต่างเยอะแยะไปหมดเลยท่นี่เทวกรรมาฐาน40 แต่พวกเราท่านทั้งหลายนี่ยึดแนวแถวของหลวงปู่มั่นก็คือให้วิชาทำนาหลวงปู่มั่นพาดําเนินอย่างไรเราควรจะเชื่อมั่นในแถวแนวแถวของหลวงปู่มัน่นเพราะว่ากระดูกหรืออธิธฐานของท่านได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นน่าจะตายใจได้น่าจะยอมรับได้น่าจะเชื่อถือได้น่าจะมอบกายถวายชีวิตในแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเรา เพระนั้นขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆท่านเพราะว่าในยุคสมัยนี้ออความคิดความเห็นแปลกแตกต่างกันหลวงพ่อจะยก เ, ออเป็นนิทานหรือว่าเป็นเรื่องราวให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ฟังได้ศึกษาคือสมัยหนึ่งพระพุทธองค์ท่านเสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีท่านปารบถึงออท่านพระพายยะทารุจริยะ ท่านพาหิทารุจริยะเนี่ยท่านได้สําเร็จเป็นพระหัน์ฟังเพียงแต่สมบาทพักคาถาสามคำพูดท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ความเป็นมาของท่านภาหะเป็นอย่างไรเนี่ยคือสมัยก่อนศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตสปะคือพระพุทธเจ้าในพัตกับนี้มีห้าพระองค์กกุสันโธโกณคมโนกัตสโป โคตโมอริยะเมตโยเนี่ยโคตโมคือพระโคตะมะพระพุทธเจ้าของเราพระอริยะเมตโยคือพระศรีอ่านที่จะมาตรัสต่อไปเป็นองค์ที่หแต่พระกัจจโปเนี่ยองค์ที่สเมื่อท่านพระกัจจโปเนี่ยเมื่อท่านได้สอนอพี่น้องประชาชนในยุค ข, ของพระองค์อายุคนสมัยนั้นอายุยืนถึงสองหมืปี เมื่ออายุสอง0 0ื่ปีท่านก็ไม่ได้วางศาสนาเอาไว้เพราะว่าเพราะคนแต่ละคนไปมืออีกสองห 0,000 ปีอีกต่อไปเป็นองค์สุดท้ายก็เพียงพอไม่เหมือนพร ะ, พระโคตมะของเราอายุร้อยปีเป็นอายุไขท่านต้องได้วางพระศาสนาวางหลักพระธรรมวินัยเอาไว้แต่นี้เมื่อพระพุทธองค์เมื่อพระพุทธเจ้ากัจจปะปรินิพานพระสงฆ์สมัยนั้น เมื่อพระพุทธเจ้ายังอยู่ก็เชื่อในหลักพระธรรมวินัยศึกษาในหลักพระธรรมวินัย เ, เป็นผึกแผ่นแต่เมื่อพระพุทธเจ้าก็จะเจปริเรนิพนานไปแล้วพระสงฆ์ก็ปั่นป่วนออกนอกลูก่นอกทางบ้างแต่มีพระเจดองค์เท่าไ่ให้ค้าแบบเป็นพระหนุ่มพวกเราเห็นพระสงฆ์ทางหลายออกนอกลูก่นอกทางอย่างนี้ เพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็ยังเป็นสว่าขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วถูกต้องแต่ยังขาดผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองแต่พวกเราไม่น่าจะนอนจมนอนใจในการเป็นอยู่พวกเราควรจะออกไปปฏิบัติเอาแบบอุกฤษ ต, ตายเป็นตายพระหนุ่มเจ็ดองค์จากนั้นก็ชักชวนกันพอชวนกันไปก็เดินเข้าไปในป่า พอไปไปเห็นภูเขาลูกหนึ่งมันเหมือนกับสูงโดเดกเหมือนกับขวดนี่แหละขวดน้ําหรือก็ติกน้ำเลยนะแต่ทีนี้ก็พอไปเห็นเจิตพอภูเขาลูกนี้แล้วก็บอกกันนะทีนใครกลัวตายกลับบ้านได้นะไทยกลัวตายกลับบ้านได้ถ้าพวกเราพวกเราพวกเราถ้าสู้แล้วก็เอาทําบันไดเลยหาไม้ไผ่แห้งมาแล้วก็ทําเป็นบันได ข้าดขึ้นไปบนยอดภูเขาภูเขาเหมือนกับขวดเนี่ยอพอขึ้นไปถึงภูเขาทั้งเจ็ดองค์แล้วขึ้นไปด้วยกันแล้วแล้วก็บอกกันนะใครกลัวตายลงน ะ, ะถ้าหากว่าใครไม่กลัวตายต้องการภาวนาเพื่อทางพ้นทุกข์ไม่ต้องลงเราจะตายบนภูเขาด้วยกันเอาผักบันไดนะใครจะลงลงไหมไม่มีใครลงนะผักนะ พระเจ็องค์ก็เลยผักบันไดเออโคมอะไรทพอผักบันไดโคมลงมาเอาเลือกเอาเลยใครต้องการที่ไหนพระเจ็ดองค์ก็หาคนละมุมกันน่บทยอดเขาเบวชบวชยอดเขาคือตายลูกเดียวน้าก็ไม่มีอาหารก็ไม่มีมีแต่ผู้ที่เป็นพระหันหอกเหินเดินฟ้าได้เท่านั้นเองจะเอาตัวรอดได้จากนั้นพระทั้งเจดองค์ก็หาคนละมุมกันนั่งภาวนาน่ ที่ได้ศึกษามาอย่างไรกันไปว่าปฏิบัติสมถะอย่างไรวิปัสสนาอย่างไงพิจารณาอย่างไงถึงจะพ้นทุกข์ที่ได้ศึกษามาจากนั้นพอคืนแรกที่เป็นหัวหน้าองค์ที่เป็นหัวหน้าเพื่อนได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์พอได้สําเร็จเป็นพระหรหันต์ท่านก่อนูน่นออกไปเอาน้ำมวนปากแล้วก็ไปบินถบาทแล้วก็เอาอาหาร มาเลี้ยงหมูเพื่อนหกองค์เอ้ยผมไปได้แล้วนะพวกท่านทั้งหลายนะเอานี่อาหารผมมาแล้วนี่น้ำอยู่ตรงนี้บ้วนปากแล้วก็ชันอาหารที่ผมเอามาพระทั้งหองค์บอกว่าท่านครับ เ, เราได้ตั้งกฎกติกากันไว้แล้วไม่ใช่เหรอว่าเมื่อใครไปได้ใครได้สําเร็จใครไปได้องค์นั้นก็ฉันแต่องค์ไหนที่ไปไม่ได้ไม่ต้องฉัน เราได้ตั้งกฎอย่างนั้นไว้ใช่ไหมใช่เออเอาใ่ายงานพวกท่านทั้งหลายนะพวกเราเดินมาถูกทางแล้วเดินมาถูกทางเราศึกษามาถูกต้องแล้วขอให้พวกท่านทั้งหลายทําไปเถอะนะเดี๋ยวอยางนั้นผมไปก่อนนะนะองค์ที่ได้เป็นพระอรหันต์ท่านก็เลยหายปับ๊บยังเหลืออยู่หกองค์พอมาคืนที่สองอีกองค์ที่สองภาวนาอีกได้สําเร็จเป็นพระนาคาพอนาคาท่านก็เหาะ เหมือนเดินฟ้าไปได้อีกไปบินธบัตมาให้หมู่ฉันอีกหมู่ก็เพรว่าไม่ฉันเพราะว่าพวกเราได้ตั้งกติกากันไว้องที่สองเนี่ยก็เออทางนั้นพวกเรานะท่านนะผมจะไปแล้วนะให้พวกท่านทั้งหลายภาวนาต่อไปนะถูกเราเดินมาถูกทางแล้วองได้ก็หายปั๊บไปอีกยังเหลืออยู่5องค์เท่นี้พอหองค์นั่งภาวนาเท่าไหร่ไม่ได้สาเร็จ น้ำก็ไม่ได้กินอาหารก็ไม่ได้กินเห็นไหมความใส่ใจและความตั้งใจในธรรมของท่านท่านเสียสละจริงๆจากนั้นท่านก็เลิมมรณะภาพบนยอดเขาด้วยกันทั้ง5องค์พอเมื่อมรณะภาพแล้วแต่เน่ยต่างคนก็ต่างไปสู่พรหมด้วยกันทั้งนั้นด้วยอเนสง์แห่งการปฏิบัติอเนสง์แห่งการภาวนาแต่ในพอในศาสนาของพระพุทธเจ้าของเราพระโคตมะ อุบัติขึ้นในโลก ท, ท่านเหล่านั้นก็ลงมาเกิดลงมาเกิดในาศาสนาของพระพุทธเจา้าแต่หลวงพ่อจะนำยกเรื่องพระพาหิยะารุจริยะองค์หนึ่งในห้าองค์นั้นท่านมาเกิดและท่านก็เป็ น, ปนพ่อค้าพ่อค้าเรือทางทะเลเอาชักชวนไปทำามาค้าขายทางทะเล ท่านก็ได้ขึ้นไปเป็นพ่อค้ากับกลุ่มตอนนี้พอไปถึงกลางทะเลเรืออับปางเรือแตกพอเรือแตกหมู่พวกเพื่อนทั้งหลายก็เป็นอาหารของปลาและเต่า อ, อาหารปลาทะเลแต่พาหิยะธารุจริยา ไ, ไ, ได้ไม้กระดานแผ่นหนึ่งอพอขึ้นได้ไม้กระดานแล้วก็กระเสือกกระสนเข้าหาฝั่งแล้วแต่ น้ำทะเลน้ำจะซัดเข้ามาไปทางไหนท่านเกา ะ, กะไม้กระดานแผ่นนั้นตลอดอพอเกาะมาได้ทีทั้งผ้าเสื้อผ้าก็หลุดลุ่ยไปหมดเไม่มีเสื้อผ้าเลยติดตัวเลยเจากนั้นก็เต็งเสื้อผ้ามาถึงฝั่งพอดีพอมาถึงฝั่งก็มองไม่เห็นอะไรที่จะปิดบังเอาเอร่างกายของตนเองไปเห็นเต่ป อ, อปอที่มันน้ำซัดขึ้นมาในฝั่ง เั้งคนไปหาพระหาปอนมาพันร่างกายของตัวเอง เ, อเพื่อกันอไอจากนั้นก็ไปเห็นที่เขามาบูชามาสังเว ย, ย เ, เป็นศารประภูมิมีพวกกะละมงกะละมังอะไรที่มันอยู่ในศารประภูมิจากนั้นเขาก็เอาเอะกะละมังนั่นแหละเข้าไปขอขอถานเหมือนกันแต่ขอทานแต่คนทั้งหลายเห็น โอ้อันนี้เป็นผู้มักน้อยสันโดษนีไม่มีกระเสื้อผ้าใช้ปอพันตัวเองเท่านั้นเองอันนี้แหละคือพระหันคนสมัยนั้นก็ตื่นเหมือนกันยุคสมัยนี้นะคนแต่งตัวแปลกๆเนี่ ย, นะยทำตัวแปลกๆเนี่ ย, ยก็เป็นที่ยอมรับเป็นคนตื่นตาตื่นใจของคนคนนั่นก็บ่าพระหันคนนี้นก็บอกพะหั น, นแต่ในภายยากเออเอเอถืออย่างนี้ก็มาก็ดีเหมือนกานณนะ์ อ, อหากินได้ง่ายเพราะเขาว่าเป็นพระหรหันต์เราก็ต้องเป็นพระหรหันต์อย่างที่เขาว่าพอี่สุดภายยากเลยถือลักษณะอย่า ง, งา น, นั้นไปทีเนี่ยเป็นผู้กินน้อยอยู่น้อย อ, อไม่หนุ่งพาย่างหากทีเนี่ยว่าเป็นพระหรหันต์พออยู่ต่อมานานเข้านานเข้าตัวเองความความคิดนี้มันเข้าไปฝังลึกในก จ, ใจิตใจว่าตัวเองเป็นพระหรหันต์จริงๆทีนี่เพื่อนที่เป็น พอมที่ว่าเป็นผู้ปฏิบัติอยู่บนยอดเขาเนี่ยที่ตายไปแล้วไปเกิดเป็นรอมเป็นพระอนาคามีเนี่ยท่านก็มองลงมาสู่โลกโอ้พาะฮิยะธารุจริยานี่เดินผิดทางเสียแล้วถ้าว่าไปยึดถืออย่างนี้ออกจากชาตินี้เป็นไปตกนรกอเวจีแน่น่เพราะเหตุไรเพราะว่าการเข้าใจผิดถ้าเราไม่ลงไปบอกไปสอนเนี่ยเพื่อนคงจะเสียหลักเสียแล้วพาวนี่ นั่นเป็นสหธรรมิเป็นกระยาณนะมิตธิที่ดีข้าใครตกทุกข์ได้ยากอย่างไรก็ต้องมองเห็นกันแต่ทา่านก็ลงมาจากผ่มมายืนอยู่ในบนอากาศมากลางอยู่กาบนอากาศท่านก็ถามว่าภาหิยะเธอว่าท่านเธอได้เป็นพระอรหันต์ใช่ไหมเธอรู้แก่ใจเรืออับปางกลางทะเลแล้วได้ไม้กระ บ, บานดานมาแล้วก็ได้ผ้าได้ พอเชือกมาพันร่างกายตัวเองเพียงแค่เนื้อและพรัหันไม่ใช่นะพายะเธออย่าไปยึดอย่างนี้ไม่ได้นะตกนรกอเวจีนะเดี๋ยวนี้พลังหัน์มีแล้วพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเกิดขึ้นแล้วในโลกนั่นคือพลัรหัน์ที่แท้จริงเดี๋ยวนี้อยู่ที่กรุงสาวัตถีคือพระพุทธเจ้าโคตมะนั่นแหละให้ท่านไปศึกษานะพายะอันนี้เธอโกหกเขาเฉยเฉยรู้แก่ใจไม่ใช่เหรอ ทำไมท่านจึงทําอย่างนี้ไม่มีใครที่จะรู้ยิ่งกว่าตัวของท่านเองพอพายะได้ยินเท่านั้นแหะเกิดความสลดสังเวทใจในตัวเองอย่างมากใช่ท่านพูดถูกต้องข้าพรเจ้าเข้าใจผิดอย่างนั้นจริงๆเอาเถอะท่านก็เลยหาเสื้อผ้าได้แล้วก็นนุ่ง เ, เสื้อผ้าได้แล้วกัเดินทั้งทั้งขืนเลยต้นดันมาสูงกรุงสวรรค์ถีเลย พอมาถึงกรุงสวัสดีสว่างพอดีจากที่ท่าเรือมาถึงที่นู่นนะร้อย่สิบร้อยยกิโลงั้นนะพอมาถึงเสร็จแล้วก็คอยเลยถามพระสงฆ์บอกว่าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนครับพระสงฆ์เหล่านั้นที่ท่านไปบิณทบาทกลับมาก่อนท่านเดินจงกลมอยู่ในที่แจ้งท่านว่าพระพุทธเจ้ากําลังบินทบาทอยู่เดี๋ยวนี้ให้รอคอยอยู่ที่นี่ ท่านมาจากไหนก็ผมมาจากท่าเรือโอโหไกลจากนั้นเขาก็ให้ที่พักหาน้ำดื่มอะไรให้พายยะเนี่บอกผมจะเข้าไปกราบพระพุทธเจ้าให้ได้เพราะผมไม่มั่นใจในชีวิตไม่รู้จะตายเมื่อไหร่เพราะชีวิตของผมไม่รู้ว่าชีวิตของพระพุทธองค์เพราะชีวิตเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนครับผมจะไปกราบเดี๋ยวนี้พระสงฆ์ให้รอให้อยู่ไม่ยอมอยู่จากนั้นเขาก็ไปเข้าไปในเมือง กรุงสาวัตถีพอไปเห็นพระพุทธเจ้าพร้อมกับพระสาวกกําลังเดินบิณฑบาตอยู่ในกรุงสาวัตถีพอไปเห็นเท่านั้นอนะ่ะพายะเห็นมองเห็นพระพุทธเจ้าคือก่อนในพบก่อนชาติก่อนท่านก็ได้เห็นพระพุทธเจ้ากัดสปะเวพอมาเห็นพระพุทธเจ้าโคตมะคนนะ่ะพอเห็นเขาวพอปีติทั้งหลายความอิ่มใจทั้งหลายมันซาเข้ามาอยู่ในจิตใจ แปลว่ามันท่วมท้นหัวใจนับตาหลังไห ล, ลโดยที่ไม่ได้ไม่ได้คิดเลยปีติความอิ่มใจพอเดินก็ไปกราบพระพุทธเจ้าพอกราบแล้วก็ขอพระองค์จงแสดงทำให้ข้าพระองค์ฟังด้วยเถิดพระเจ้าค่ะพระเพระองค์บอกมองดูพาหิยะมันเต็มด้วยปีติคือความอิ่มใจมันท่วมทน้นถึงจะพูดอะไรให้ฟังมันก็ไม่ถึงใจไม่เข้า เพราะอะไรเพราะคนตื้นตันในจิตใจพระองค์บอกว่ายังไม่ใช่โอกาสภายะขณะนี้เรากลังกําลังบินทบาทไม่ใช่โอกาสที่จะแสดงธรรมไม่ใช่โอกาสนี้พายะแต่นน้นพระองค์ก็เดินไปพอเดินไปอีกภายะก็ถามขอพระองค์จงแสดงธรรมให้ข้าพระองค์ฟังด้วยเถิดข้าพระองค์ไม่ไว้ใจในชีวิตของข้าพระองค์พระองค์พระองค์ก็มองดูอีกว่าปีติของเขานยังท่วมท้นหัวใจอยู่ ยังไ ม, ไม่พร้อมที่จะฟังทำรรจากนั้นก็ยังไม่ใช่โอกาสพาหิยะแต่พอครั้งที่สามความปีติในใจของพาหิยะอยู่ในระดับที่จะเชื่อฟังทำคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าขอพระองค์จงโปรดแสดงธรรมให้ข้าพระองค์ฟังโดยเทิดพระเจ้าค่ะเอา้าตั้งใจฟังพอตั้งใจฟังพระองค์ก็บอกว่าพาหิยะ รู้แต่สักว่ารู้เห็นแต่สักว่าเห็นอย่าให้มีความสำคัญในการรู้การเห็นนั้นเข้าใจไหมครับผม <_ C 1> เพียงแ่วนี้แหละท่านได้สำเร็จเป็นพระรหันต์รู้แต่สักว่ารู้ไม่ให้ยึดมั่นถือมั่นในการรู้การเห็นเพียงรู้เพียงเห็นเท่านั้นท่านได้สำเร็จเป็นพระรหันต์ทำไมท่านจึงได้สำเร็จเพราะว่าท่านบาเพ็ญอยู่ในที่บนยอดเขาอย่างที่ ได้กล่าวได้หลวงพ่อได้กล่าวว่าท่านอยู่บนยอดเขาท่านบาเพ็ญแบบอุกฤษเบาเบาบางเพราะเต็มเต็มที่แล้วเมื่อได้ยินฟังธรรมคำสอนเพียงสองสามบาทพระคาถาเท่านั้นท่านได้สำเร็จเป็นพระหันในเดียวนั้นเพราะเหตุไรเพราะว่าท่านได้บาเพ็ญมาแล้วเพราะนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายอย่างวันนี้ละพวกเราได้มานั่งภาวนาบาเพ็ญต่างกลมต่างบาระ บุญบารมีเหล่านี้มันจะเกื้อกูลหนุนของเราในพบหน้าชาติหน้าในเมื่อเราได้ฟังทำคําสอนของพระพุทธเจ้าพวกเราก็จะได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลโดยเร็วอย่างที่พระพายะที่ท่านได้สาเร็จจากนั้นเมื่อท่านได้สาเร็จแล้วเป็นพระหรหันในขณะที่ฟังพระองค์ก็บอกว่าท่านก็มองดูเนี่ยดูบุพกรรมได้เสียนพระพุทธเจ้าไม่ใช่ดูธรรมดาดูบุพกรรมเก่าในอดีตชาติของพระพายะ พระพาหิยะไม่เคยขนขวายถวายอัตถบริขารถึงท่านแกอายุยืนถึงสองหมื่นปีแต่ท่านไม่เคยที่จะถวายอัตถบริขารแก่เพื่อนสหธรรมิกหรือว่าผู้เข้ามาบวชท่านไม่เคยสแสวงหาหรือไม่เคยให้กับบริขารองค์อื่นเลยพระองค์มองดูแล้วไม่มีไม่มีบุญวาสนาไม่มีอานิสงส์ทานพระองค์บอกว่าพาหิยะเธอจงไปเสาะแสวงหา อัฐบริคารก่อนนะค่อยมาบวชนะเออคือถ้าหากว่าท่านทําบุญมาก่อนพระพุทธองค์จะเรียกอัฐบริขานห่อเอหิภิกขุอุปสัมปทาท่านจงเป็นภิกษุมาเถิดทำวินยัยเรากล่าวไว้ดีแล้วเพียงเท่านี้แหละอัฐบริขารจะลอยมาแล้วก็ท่านก็เป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาระว้วบวช ด, ด้วยเอหิภิกขุแต่นี้พระพายยะถึงจะได้สาเร็จเป็นพระหรัน แต่อนันนสงฆ์ไม่เคยทำไม่เคยทําบุญทําทานอัฐเรื่องอัฐบริหารมาก่อนพระองค์ก็เรียกไม่ขึ้นเหมือนกันนะเพราะอะไรเพระาะอันนสงฆ์ไม่มีพายะเธอจงไปเสาะแสวงหาบริขารก่อนนะได้บริหารแล้วค่อยบวชท่านขับผมท่านก็ออกมาจากนั้นท่านก็เดินโตเตไปท่านก็คงไม่ได้สังเกตวัวเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาตินะ แงวัวตัวเมียในอดีตชาติคือเคยจงร้างจงผานผูกพยาบาทอาคาตกันมาในอดีตวัวตัว น, นั้นก็เลยโดดมกิดเข้าไปในท้องอพาหิยะก็เลยตายอพอตายมรณะภาพลงไปพระองค์ก็เดินเข้าไปกรุงสวัริ์ฉันพรทหารเสร็จเรียบร้อยแล้วเดินกลับออกมาเห็นแต่พาหิยะนอนตายอยู่ที่กองยักษ์เหยื่อพระองค์บอกว่าเออเนี่ยพยะ เป็นพี่ของพวกเธอไปไปหาเตียงมาไปไปขอจากชาวบ้านชาวบ้านก็เลยให้เตียงเลยหามใส่ใส่เตียงมาถึงวัดป่าเชตตะวันจากนั้นก็ได้ไประชุมเพลิงพอประชุมเพลิงเสร็จแล้วพระองค์บอกว่าเอาไปก่อสถูประเจดีไว้ในทางสีแพ่งเพื่อกราบไหว้เคารพสักการบูชาพระสงฆ์ทั้งหลายก็ได้มากราบทูลถามพระพุทธเจ้า ว, ว่า พาหิยะหนึ่งเข้าตายแล้วเขาไปที่ไหนพระเจ้าข่าพระองค์บอกว่าพาหยะเขาเป็นพระรหันเขาได้ฟังธรรมของเราฟังที่ไหนพระเจ้าข่าเอาเขายืนฟังในที่นั่นพระองค์พูดหน่อยเดียวเองพระองค์บอกว่าอย่าไปพูดว่าน้อยหรือมากคําพูดใดฟังแล้วเข้าใจผู้ที่ฟังเข้าใจ รู้แจ้งเห็นจริงในคำพูดนะถึงจะเป็นพูดคำเดียวก็เกิดประโยชน์เป็นมหามงคลยิ่งสำหรับผู้ได้ฟังแต่ถ้าว่าพูด เ, เลื่อยเปื่อยไปเรื่อยถึงจะพูดมากมายทั้งวันทั้งคืนก็ไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นภายะเขาฟังเข้า ใ, ใจรู้แต่สักว่ารู้เห็นแต่สักว่าเห็นจะให้ความสำคัญในการรู้การเห็นนั้นเพียงเท่านี้เขาก็ปล่อยวางเขาก็ได้สาเร็จเป็นพระหัน เพราะฉะนั้นให้พวกท่านทั้งหลายเอากระดูกของท่านไปไว้ในทางสีแพ่งให้คนได้กราบได้ไวานวัทูปรารหะบุคคลบุคคลที่สมควรที่จะสร้างสัทโธะเจดีไว้ให้คนได้กราบได้ไวาถวรสักการะบูชานี่แหละอันนี้ก็ขอให้พวกเราคณะรัต ย, ยาญาติโยมลูกหลานทุกคนคือพระในครั้งพุทธเจ้าในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจสปะที่ท่านบำเพ็ญก็นี่แหละพวกเห็น การบูพวกเพื่อนย่อหยอดหรือว่าเห็นหมูพวกเพื่อนไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยท่านก็เลยตั้งเจ็ดองเลยเปลี่ตัวออกไปเพื่อบําเพ็ญแต่ในชาตินี้นะแล้วก็องค์อื่นล่ะองอื่นก็คือองค์หนึ่งคือว่าเป็นพระกุ ม, มารกัณสปะเป็นพระมหาเถระองค์หนึ่งกับพระจุนทะที่เป็นเป็นพระทหารอีกเหมือนกันแต่คนหนึ่งได้เป็นพระราชา มีคนหนึ่งเป็นปริพายโชคแต่ท่านก็ไม่ได้กล่าวถึง ป, ปริพาชคกับพระราชาเนะี่ยได้สําเร็จมรรคสาเร็จผลยังไงแต่ว่าพระราชานะได้ยินว่าท่านได้เป็นพระอนาคามีที่พระองค์ได้เทศให้ฟังแต่ปริพาชคนี่ท่านไม่ได้พูดว่าได้สําเร็จมรรคผลอย่างไรนี่แหละสรุปแล้วเมื่อเราสั่งสมคุณงามความดีสร้างบุญกุศลเข้าสู่จิตใจแล้วไม่มีทางที่จะเสียหายมีแต่มีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียว เพราะนั้นขอให้ฝากไว้กับคณะสัทธธายาติโยมลูกหลานทุกคนการที่มาสั่งสมคุณงามความดีการที่มาประพฤติปฏิบัติธรรมต่อไปจะเป็นอุปนิสัยบุญกุศลที่พวกเราได้ส่งเสริมต่อเติมหรือปฏิบัติไปนี้ไม่หายไปไหนจะติดอยู่ในจิตในใจของพวกเราท่านทั้งหลายนานเท่านานเมื่อเราถึงขราวที่จะได้สาเร็จมรรคสาเร็จผลนี่แหละบุญกุศลเหล่านี้จะเข้าไปเกื้อกูลหนุน เราก็จะได้สําเร็จมักสสาเร็จผลตามอย่างที่พระพายะทารุจริยะที่ได้รับเอธะตคะจากพระพุทธเจ้า ว, ว่าเป็นผู้ได้สําเร็จพระรหันต์ที่เร็วหรือว่า เ, เพียงฟังสามบาทพระคาถาก็ได้สาเร็จเป็นพระรหันต์แล้วนี่อันนี้ก็คื อ, อพระพายะคือสาวกของพระพุทธเจา้าแต่ตัว น, นี้มาพูดถึงพระ ในค้างพุทธเจ้าอีกเหมือนกันที่พระทำชั่วในตกนรกมีไหมอันนี้หลวงพ่อพูดถึงพระทำขาะคุณงามความดีที่จะไปสู่ความสุขคือสวรรค์นิพพานแต่พระที่ทำความชั่วนี่มีไหมตกนรกอเวจีมีนะคณะจัตตาญาติโยมลูกหลานเพราะพระพองค์เสด็จประทับอยู่ที่กรุงสาวัตถีอย่างเก่านั่นแหละพระพองค์ปลาลบถึงกัปปิละิกขุฮะพระกปิละพิกขุ ในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะอีกเหมือนกันเมื่อพระพุทธเจ้ากัจจปะปรินิพานแล้วในตระกูลหนึ่งมีพี่น้องสองคนสามคนทั้งน้องสาวและออกบวชในพระพุทธศาสนาในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะพอบวชแล้วก็ได้ถามพระอาจารย์ว่าได้ศาสนาเนี่ยมีกี่อย่างพระอาจารย์เขาบอกว่ามีามีสองอย่าง คือคันถาธุระคือการศึกษาฝ่ายประยัตวิปัสนาธุระคือออกไปบวชและปฏิบัติธรรมเพื่อพ้นทุกข์ในวัฏสงสารทั้งสองคนนี่ก็พี่ชายบอกว่าเราอายุมากแล้วเราควรจะไปทางวิปัสนาธุระแต่น้องชายบอกว่าผมยังน้อยหนุ่มอยู่ครับพี่ผมจะไปทางคุณคันถาธุรเพราะก็เลยแยก แยกกันคนหนึ่งก็คือเรียนเรียนหนังสือพวกหนึ่งก็คือไปเป็นกรรมฐานอยู่ในป่าแต่องค์ที่เป็นไปเป็นกรรมฐานพี่ชายนี่ก็ไปบําเพ็ญด้วยความตั้งอกตั้งใจภาคเพียรไปนานท่านก็ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่น้องชายนี่ก็เรียนทางปริยัติออแล้วก็นําปริยัติมาแนะนําสั่งสอนพวกศิษยานุศิษย์ทั้งหลายมีศิษย์บริวารมากทลยเนี่ย พอมีจิตบริวารมากอติเละลาบก็มากขึ้นมาอีกเหมือนกันก็หลงในลาบในยศทีนี่ผู้น้องชายแต่เน้ก็เห็นพระทั้งหลายเห็นมุมพวกเพื่อนทั้งหลายไม่อยู่ในสายตาเห็นว่าพระทั้งหลายที่เป็นอยู่ด้วยกันเนี่ยโง่เง่าเต่าตุ่นทั้งหมดตัวเองเป็นผู้ฉลาดจะได้เวลาแนะนำสั่งสอนก็บอกว่าสิ่งที่ดีสิ่งที่มันดี กับว่าชั่วสิ่งที่ชั่วกับว่าดีพอที่สุดในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัจจปะโค้งสุดท้ายพี่ชายก็เลยเขาก็ไปบอกพี่ชายว่าท่านกับปิละเนี่เดินผิดทางเส็จแล้วท่านขอให้พี่ชายไปสอนโดยเถิดพี่ชายก็บอกอืมก็เลยออกมาก็เลยสอนกันน้องเธออย่าไปสำคัญผิดนะ ต้องอยู่ในหลักพระธรรมวินัยนะได้ยินว่าน้องชายไม่ลงอุโบสถใช่ไหมนี่ว่าไม่เกิดประโยชน์อุโบสถลงไปทําไมไม่เกิดประโยชน์อะไรจากนั้นก็ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวินัยเป็นส่วนมากพี่ชายก็แนะนําสั่งสอนแต่ไม่ยอมไม่เชื่อพี่ชายปวหลับหูหลับตาอยู่ในป่าท่านเองไม่มีความรู้เหมือนกับผมเห็นไหม ลูกน้องบริบาลศรัทธาญาติโยมนับถือเลื่อมใสผมนี่มากขนาดไหนอาจารย์เนี่ยลูกพี่เนี่อยู่ในป่าหลับหูหลับตาเฉยเฉเพ้ยเผลยังดูถูกพี่ชายที่เป็นพระทหารนี่ต่างหากพระนิสสัตถพี่ชายบอกเอาเถอะกรรมจะให้ผลจะรู้เองเมื่อภายหลังจากนั้นพี่ชายก็เลยเข้าไปป่าอยู่ในป่าต่อไปไม่ออกมาเลยจากนั้นพี่ชายก็ปรินิพานอยู่ในป่า แต่น้องชายนี่ก่อนเห็นอะออพูดชั่วกลายเป็นดีดีกายเป็นชั่วมั่วไปหมดเลยจะนี่ไม่อยู่ในหลักพระธรรมวิ น, นัยผลที่สุดคนทั้งหลายสมัยนั้นก็ไข้แผลศาสานาของพระพุทธเจ้าก็จะปะทั้งที่จะเจริญยาวนานเพราะว่าผู้พระที่มาแนะนำสั่งสอนนั่นอะออไปออกนอกลูกนอกทางผลที่สุดก็ทั้งแม่ด้วยทั้งน้องสาวด้วยก็เห็นด้วยครับ ผู้ที่มีบุญวาสนาที่ว่าเป็นผู้ร่ำรวยเนี่ยผลในสุด ก, ก็เลยสนับสนุนเอ่ยย็นดีกับผู้มีอติเลขลาบคือน้องชายผู้เป็นน้องเนี่ยในสุดพอหมดอายุไขมวกบทดอายุนะเอ่พระกัปิละองค์นี้ก็ตกอเวจีมหานรกผู้แม่ลงอเวจีมหานรกน้องสาวก็ลงอเวจีมหานรกเพราะเหตุใดเพราะว่าในกลุ่มเดียวกัน ทำให้ศาสนาของพระพุทธเจ้ากัส ป, ปะเสียหายแล้วก็ทำบาปกรรมไม่ลงอุโบสถไม่อยู่ในศีลและวินยัยนี่แหละจากนั้นพ อ, อยงลงเอเวจีมหานรกแล้วท่นีต่อมาทนีในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะพระพุทธองค์เสด็จประทับอยู่ที่วัดป่าเชตตะวันกรุงสาวัตถีท่นี้มีพอมีชาวประมง อยู่ในใกล้แม่น้าอเจลวดีกลุ่มชาวประมงห้า0้เขาก็ไปตกปลาในแม่น้ำอเจลวดีไปได้ปลาทองขึ้นมาตัวบับใหญ่สีทองสวยงามมากปลาตัวนี้เขาได้ปลาทองทีนี้เขาก็ตกปลาเป็นครั้งแรกอีกต่างหากเพราะเป็นตระกูลของชาวประมงพวกหนุ่มทั้งหลายเขาลงลงตกปลากันเป็นครั้งแรกโอ้ลูกของเราตกปลาเป็นครั้งแรกได้ปลาทองอีก เอาควรจะเอาไปถวายพระเจ้าแผ่นดินพระเจ้าปัดเศนเหมือนกันก็เลยเอาใส่เรือเข้าไปเอาน้ําใส่สักหน่อยแล้วแตเอาเปลือใส่ปลาไปแห่กันไปไปพระเจ้าปัดเสนมองเห็นปลาโห้ปลาทัวนี้มันเราก็ไม่เคยเห็ น, นปลาทําไมสวยงามมากแต่เวลามันอ้าปากขึ้นมาเนเหม็นคุ้งไปทั้งหมดทลนี่เออปลาทําไมถ้ามันปากเหม็นวะแต่ว่าปลาทําไมถ้ามันสวยงามเล นอกจากพระพุทธเจ้าแล้วคงจะไม่มีใครที่จะรู้เรื่องปลาตัวนี้ได้ทันี้พระเจ้าปเสนที่โกศลท่านก็นําปลาทองตัวนั้นไปนกราบพระพุทธเจ้าที่วัดป่าเชตะวันมหาวิหารทันี้พระองค์มองเห็นแล้วพระองค์บอกว่ามหาบุพิพสปลาตัวนี้นะเป็นพระภิกษุมาก่อนในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัตสปะชื่อว่ากัปปิละนะพระปลาตัวนี้ชื่อว่ากัปปิละ เดี๋ยวเราจะถามให้ดูนะจะถามให้ดูเพราะพระพองค์ว่ากัปปิละเธอเป็นภิกษุในศาสนาของพระพุทธเจ้ากัสสปะใช่ไหมกัปปิละบอกว่าพระเจ้าขาดอาปาขึ้นมาเหม็นคุ้งทั่ววัดป่าเชตะวันเลยทีเียเหม็นมากปลาปากปากปลาแล้วเธอมีพี่น้องร่วมกันกี่คนในสมัยนั้นมีพี่น้องร่วมกันสมคนครับ พี่ชายแลวก็น้องสาวและก็มีข้าบองค์และก็มีแม่แล้วพี่ชายไปไหนพี่ชายเป็นพระอรหันต์แล้วครับผมเข้าสู่นิพพานแล้วแต่แม่ล่ะแม่ตกนรกครับยังตกนรกอยู่น้องสาวล่ะน้องสาวก็ตกนรกครับแล้วเธอล่ะกระผมก็ะพึงผ่านมาจากนรกพระเจ้าค่อแต่ตอนนี้พระองค์บอกว่า กัปปิละทาไมปีนมีสีทองเพราะว่าเขาบรรยายเชิดชูบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตัวของเขาเลยเป็นสีทองเพราะเขายกย่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชิดชูบูชาแต่ที่ปาเขาเมร น, นั้นเพราะว่าเขาด่าด่าภิกษุปริ้ยพาดภิกษุทั้งที่ภิกษุเป็นผู้มีศีลเป็นผู้มีอยู่ในหลักพระธรรมวินยัยบอกว่าพระงโง่มากทำอย่างนี้ได้ยังไง แปลว่าตัวเองเป็นผู้ฉลาดแต่ว่าฉลาดออกนอกลูกนอกทางสลาดแหวกแนวฉลาดไปอยู่ในหลักพระธรรมวินัยแต่ในพระเพราะฉะนั้นปากเขาจึงเป็นปากกรรมปากเหม็นแต่ว่าตัวของเขาเป็นทองเพราะเขาสนสัสริญพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ปลากรปิล ะ, ะจากนั้นพระองค์ก็ถามว่ากรปิละเธอออกจากนี้แตจะไปไหนกรปิละภิกษุก็บอกว่า ข้าพระ อ, องค์ออกจากนี้ไปจะ ก, กลับไปสู่อเวจีมหานรกอีกพระเจ้าค่ะเพราะยังไม่พ้นกรรมเพราะว่าท่านั้นเขาเลยเอาหัวฟาดใส่เหลือเออเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงจากนั้นข้อข้ตายเออก็ไปสู่นรกนี่แหละในเรื่องนี้ที่หลวงพ่อได้พูดว่าพระภัยยะทารุจริยะที่ท่านบําเพ็ญเพื่อหาทางพ้นทุกข์แต่ว่า อย่างกัปปิละท่านหลงในลาบในยศไม่ยินดีในหลักพระธรรมวินัยทำกรรมชั่วในศาสนาของพุทธพุท ธ, ธะการเป็สามารถคนหนึ่งไปทางดีแต่คนหนึ่งไปในทางที่ทางที่เลวไปตกนรกเพราะนั้นหลวงพ่อเองในฐานะที่ว่าพวกเราในยุคนี้สมัยนี้เป็นสาย ของหลวงปู่มั่นโค้งหลวงปู่มั่นขอบอกกล่าวให้กับคณะทายาิโยมลูกหลานน้องนุ่งทุกๆ ท, ทั้งหลายทุกคนขอให้อยู่ในหลักพระธรรมวินัยให้เดินตามแนวแถวของหลวงปู่มั่นที่ท่านแดะนำสั่งสอนอย่างไรก็ขอให้พวกเราเดินตามหลักพระธรรมวินัยแล้วพวกเราจะประสบแต่ความสุขความเย็นใจแล้วเรื่องการภาวนาของหลวงปู่มั่น ถ้าเรามาพิจารณาดูตามแนวแถวของพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วพระพุทธเจ้าของเราท่านอยู่ในเวียงวังจากนั้นท่านหนีเสียสละออกจากเวียงวังเมื่ออายุ29ปีไปบําเพ็ญอยู่ในป่าส่งผนวดแล้วบาเพ็ญอยู่ในป่าถึง6ปีลองผิดลองถูกลองถูกลองผิด เ, เป็นเวลา6ปีจากนั้นวันคืนที่ท่านได้ตัดรู้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือวันคืนเดือนหกผ่นวันเดือนหกผ่นวันที่ท่านได้ตัดสรู้ท่านทำอย่างไรพระพุทธเจ้าได้ตัดสรู้ในวันนั้ น, นทั้งที่ท่านทดลองมาทดสอบมาทดลองผิดลองถูกมาเป็นเวลานานถึงหกปีแต่ท่านคืนที่ท่านได้สำเร็จประสบความสำเร็จอย่างความตั้งใจของท่านท่านทำอย่างไรอันนี้แหละพวกเราต้องศึกษาจุดนี้ในวันนั้นในวันเดือน6กผ่น ท่านบอกชัดเจนท่านตรัสไว้ชัดเจนในทำผสมผสมโพอดหรือว่าพุทธประวัติว่าวันเดือนหเพนวันนั้นพระอาทิตย์ยังไม่อัจดงคือมันยังไม่ตกดินนายโสธิยะไปเกี่ยวหญ้าคาผ่านมานายโสธิยะได้นำหญ้าคามาถวายสิท ธ, ธะคือพระพุทธเจ้าของเรายังเป็นสิท ธ, ธะนะยังไม่ได้ตัดฉร้ยังเป็นสิท ธ, ธะอยู่ ได้ย่าคามา8ดกำมือก็มอบให้ถวายท่านสิท ธ, ธัตถะเพราะท่านนั่งอยู่ตามลําพังที่โคลนต้นโพเห็นว่าคงจะนั่งไม่สะดวกเพราะมันคงจะรากโพพวกเราคงเคยเห็นว่ามันลอยขึ้นมาจากดีดินคงจะนั่งไม่สะดวกดวัดโสธยาคนนั้นนำยาคาแปดำาากำมือถวายในเมื่อพระโพธิสัตว์สิทธัตถะได้ยาคา8ดกำมือท่านก็มาเกลีย่ยลงที่โคลนต้นโพแล้วก็ เลือกมุมไปทางทางทิศ ต, ตะวันออกนะขนของโ ข, ข, ขนต้นโพจากนั้นเมื่อปล่อยหญ้าคา8กดกำมือเสร็จเรียบร้อยแล้วพระองค์ก็ขึ้นไปนั่งบนยญ้าคาเป็นอาสนะจัดเป็นหญ้าคาเป็นอาสนะแล้วขึ้นไปนั่งแล้วขหันพระพักไปทางทิศ ต, ตะวันออกเมื่อหันพระพักไปทางทิศ ต, ตะวันออกนั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายจากนั้นกำมือขวาทับมือซ้ายกําหนดลมหายใจเข้า รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออกมีสติสัมปะชัญญะในลมหายใจเข้าออกนั้นอันนี้คือกรรมฐานของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตัดสู้พระอนุตระสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นปฐมยามคือตอนหัวค่าพระไทยใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเพราะไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตพระไทยของพระองค์อยู่ในปัจจุบัน มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นเมื่อพระองค์จิตรวมลงสงบลงเป็นหนึ่งเกิดญาณรัตนะเกิดฌานขึ้นมาว่าปุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติผลหลังได้นี่แหละในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธองค์ท่านบอกว่าตายแล้วไม่สูญตายแล้วเกิดอกีกทาไมจึงว่าตายแล้วเกิดอกีกเมื่อวานมีวันก่อนมีเดือนก่อนเออปีก่อนชาติก่อนมี มาถึงชาตินี้ไม่ใช่เกิดมาชาตินี้ชาติเดียววันนี้วันเดียวไม่ใช่มีวันก่อนๆ น, นี่แหละหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าอะปุเพเนวาสานุิติยานรละลึกชาติผลหลังได้พอถึงเที่ยงคืนจุตูตตตปะปาตยานการมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายพวกเราท่านทั้งหลายล้วนแล้วจะมีกรรมพามาเกิดแต่ละคนมองดูสรรพสัตว์ทั้งหลายแกแตกต่างกัน ไม่เหมือนกันมีคนทุกข์มีคนจนมีคนสวยคนงามคนขี้ร้ายขี้เลเป็นคนบ้าใบาเสียจิตมีครบในมวลมนุษย์ล้วนแล้วแต่กรรมพามาเกิดเขาทำกรรมอันไหนไว้ท่านก็มองดูเห็นรู้หมดเรียกว่าจุตูปปตาตญาณพอจวนสว่างท่านก็ได้ตัดสรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณเรียกว่าอาสาวกยายญาณญาณอย่างรู้ว่าพระองค์ตัดกิเลสราคะโทสะโมหะ ออกจากพระไทยของพระองค์แล้วเป็นใจของพระองค์เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วเป็นอมตะธาตุเป็นอมตะ ธ, ธรรมแล้วใจไม่กระเพื่อมแล้วใจเป็นธรรมชาติแล้วนี่แหละคือพระพุทธองค์ได้ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่โค้ต้นโพวันเดือนหกแผ่นตอนหัวค่ำเลยว่าปุเพในวารสารุจติญาณพอถึงเที่ยงคืนจุตูปะปาตยานพอจวนสว่างอาสาวกยะญาณ พระพุทธเจ้าได้ตัดสรุปยานสามที่ได้เป็นพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณอันนี้มาพูดถึงหลวงปู่มั่นของเราท่านก็ได้ยึดแนวแถวที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าหากว่าเรากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็ได้ไม่ผิดกติกาเราจะกำหนดอย่างนั้นก็ได้อย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านพาดำเนินที่ท่านได้ตัดสรู้แต่หลวงปู่มั่นท่านบอกว่า มันหลุดเร็วเกินไปมันหลุดเร็วเกินไปมันขาดเร็วเกินไปมันหลงลืมเร็วเกินไปควรจะบริกรรมนะหายใจเข้าบริกรรมพุทธหายใจออกบริกรรมโทดังนั้นท่านจึงสอนบริให้บริกรรมด้วยแต่หลวงตาม ห, หาบัวท่านก็ยอมรับว่าสมัยก่อนท่านก็กำหนดอย่างที่ พ, พระพุทธเจ้ากําหนดเพียงแต่กาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกมันหลุดได้ง่ายจริง แต่พ่อท่านนำแนวกรรมฐานของหลวงปู่มั่นมาปฏิบัติท่านจึงได้หลักท่านบอกว่าบัดนี้ไม่เสื่อมใจของเราไม่เสื่อมแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอันนี้หลวงตาท่านก็ยืนยันว่าการแนะนําสั่งสอนของหลวงปู่มั่น เ, เป็นแนวทางที่พวกเรานํามาประพฤติปฏิบัติได้แต่ถ้าว่าท่านก็สอนบอกว่าถ้าว่าผู้ใดก็ตาม กำหนดลมหายใจเข้าออกแล้วมันยังหลดอยู่ให้บริกรรมทีๆก็ได้บริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธแต่ไม่ต้องบ่นออกปากนะให้ใจของเราเนี่ยที่มันดึกคิดให้บริกรรมสองทับอยู่จุดนั้นแหละอย่าให้มันผงไปทางอื่นพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอันนี้ก็ทำจิตใจให้สงบได้แต่หลวงพ่อเองแนะนำศรัทธาญาติโยมลูกหลานอีกเหมือนกันนะ อันนี้เป็นความที่หลวงพ่อได้ทดสอบทดลองดูหลวงพ่อบอกทดลองนับดูนะลูกหลานหลวงพ่อทดลองดูแล้วได้ผลนะมันเห็นได้ชัดเวลาหายใจเข้านับหนึ่งให้จะออกนับสองนับสามนับสี่นับห้าหายใจเข้าจนนับถึงร้อยกลับมันนับใหม่อีกถ้ามันไม่ไม่เผลอถ้ามันเผลอแล้วก่อนตั้งต้นใหม่นับหนึ่งใหม่มันเผลออย่างไง หลวงพ่อบอกว่าเวลามันเผเือหน่งคือหายใจเข้านับ1 ห, หายใจออกนับ2 1คือเลขขี้2คือเลขคู่3คือเลขขี้สคือเล ข, ขคู่5้าสีเลขที่6คู ου, ่7จขี้8คู่เก้าขี้10คู่ขี้คู่ขี่คู่ขี้คู่หายเจ้าดนเป็นเลขขี้หายใจออกเป็นเลขคู่ถ้ามันจะเผลอมันจะเบอร์เบอเบอร์เสร็จแล้วมันจะหายเข้าน่ยหายใจเข้ามันเป็นเลขคู่แล้วทีนี้หายใจออกเป็นเลข ข, dragon, vendo, ขี้ นี่แหะเราจะรู้ได้เร็วนะเพราะฉะนั้นขอให้ทดลองดูนะถ้ามันเป็นอย่างนี้ตั้งสติให้เข้มแข็งขึ้นอีกอในเมื่อพวกเราตั้งสติให้เข้มแข็งแล้วใจของเราจะรวมสงบลงเป็นหนึ่งอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตรวมสงบลงเป็นหนึ่งเป็นอุปจาระสมาธินี้มีอยู่สามขั้นนะทะ่านคณะทศชายาจมที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ เรื่องอะไรหลักพระธรรมคําสอนที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์เอามาสอนพวกเราว่าคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิคณิกะคือคื อ, คอจิตใจพอนั่งภาวนาจิตใจมันจะงวกรวมสงบแบบสิวเสียดเออเสียดมันพอลมสงบเพ็บหน่อยเดียวมันจะเย็นสบายใจว่าเย็นมีความสุขลึกๆลําจําไม่ลืมอีกเหมือนกันนะ เมื่อเราภาวนาจิตใจของเรารวมสงบลงเพียงแต่ครั้งเดียวใจของเราจะไม่ลืมอันนี้เราอะคณิกะสมาธิแต่เราเมื่อท่าเราอยาก จ, จะให้มันเป็นอีกจะไม่เป็นนะไม่ต้องให้มันเป็นอีก เ, ออเราภาวนาไปเรื่อย่ะไม่ต้องคิดให้มันเป็นอีกจากนั้นเราก็พภาวนาไปเรื่อยๆต่อไปจิตของเราจิตใจของเราจะเข้มแข็งสติของเราจะแก้วกล้าขึ้นเป็นอุปจารสมาธิ อุปจาระไปกว่าจิตใจเรารู้ว่าเรานั่งอยู่ที่ไหนแต่จิตใจของเราไม่หิวไม่หวยกำหนดที่ไหนมันก็อยู่ที่นั่นกำหนดลมหายใจเข้าออกก็อยู่ที่ลมจิตใจไม่กระสับกระสายจิตใจพะเราพยายามให้มันอยู่มันก็อยู่ดูจิตใจของเราอยู่อยู่กับที่จใจอยู่จะว่าใจสงบก็ใช่จะว่าใจอยู่ก็ใช่อันนี้อุปจาระสมาธิ ถ้ามันลงไปกว่านั้นเดี๋ยวอัปปนาสมาธิจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งบางคนก็เหมือนกระตกเขวตกบ่อบางทนก็มันบู้เจ็นลงไปเอออันนี้คือว่าจิตเป็นอันใดสติเป็นอันนั้นสติเป็นอันใดจิตเป็นอันนั้นอันนี้นคืออัปปนาสมาธิเราไม่รู้ว่าเราอยู่ณสถานที่ใดกายกับใจของเราเนี่ยเออมันอยู่คนละส่วนกันเลยไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งหมด เพราะอะไรเพราะว่าใจของเราไม่รับรู้ทางกายตาของเราไม่ตองวานแล้วเราหลับอยู่แล้วแต่หูของเราเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ณสถานที่ใดใจของเรามีแต่รวมสงบนิ่งเอแต่ไม่ใช่หลับนะเรารู้ว่าเราสงบนิ่งสติเป็นอะไรจิตเป็นนั้นสติเป็นอะไจิตเป็นนั้นพอจากนั้นมามันก็ถอนขึ้นมาถอนขึ้นมาเป็นอุปจารสมาธินี่แหละ ในเมื่อจิตรวมสงบลงไปอย่างนั้นเรารู้ได้ด้วยตนเองเลยรู้ด้วยเลยว่าตายแล้วไม่ศูนย์นะตายแล้วไม่ศูนย์ตายแล้วเกิดอีกแน่นอนเพราะอะไรมันรู้ชัดด้วยตนเองบ่าร่างกายเหมือนกับรถหลวงพ่อเปรียบเทียบให้ฟังร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจที่มันสงบเป็นเอกเทศนะคือคนขับรถรถกับคนขับรถรถนี่ต้องหมดสภาพแน่แต่คนขับรถออกจากรถ นี้ก็เหมือนกันร่างกายของเราเนี่ยเหมือนกับรถแต่จิตใจเนี่ยคือตัวผู้รู้คือนามธรรมเหมือนกับคนขับรถแต่พระพุทธศาสนาพระพ ร, รมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญคนขับรถมากกว่ารถเพราะเหตุไรพระองค์ตรัสว่ามาโนปุพังขมาธรร ม, มามโนเสถามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจ ถ้าจะพูดให้ชัดขึ้นมาอีกว่ารถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วด้วยโซเฟอร์สุดแท้ตโซเฟอร์จะขับไปที่ไหนจะขับไปตกเหวตกบอจะไปขับชนต้นไม้ชนคู่ชนคนได้ทนะั้งนั้นเพราอะไรเพราะโซเฟอร์เป็นใหญ่นี้ก็เหมือนกันร่างกายของพวกเราเนี่ยใจเป็นใหญ่ใจเป็นหัวหน้าเพราะพระเจ้าให้ความสาคัญเรื่องของใจมากกว่า เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะรัทยา ญ, ญาติโยมลูกหลานทุกคนนะถ้าภาวนาและพวกเราจะเห็นจะรู้ได้ว่ากายกับใจอาศั ย, ศยกันอยู่แต่ไม่ใช่อันเดียวกันนี่ว่ารูปธรรมรูปธรรมคือร่างกายนามธรรมคือจิตใจแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านให้ความสำคัญเรื่องของใจมากกว่าเรื่องของกายเพราะนั้นท่านจึงตรัสท่านบอกไว้ว่ากรรมชั่วอย่าทำเสเลยดีกว่า เพราะกรรมชั่วเมื่อทําแล้วจะทําให้ตนเองเดือดร้อนเมื่อภายหลังเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านวันนี้พวกเรามาสร้างคุณงามความดีมาสั่งสมคุณงามความดีมาสร้างบุญสร้างกุศลอย่างที่ลุงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษิตเบื้องต้นว่าปูชาจะปูชนียานังเอตมังคารมุตตมังบูชาบุคคลที่ควรบูชา บุคคลที่ควรบูชาอันดับแรกก็คือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราหลวงปู่มั่นเป็นปฐมแล้วก็พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่หลวงพ่อได้กล่าวหลายๆองค์ก็ล้วนแล้วจะเป็นบุคคลที่ควรบูชาจากนั้นก็หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภารรษีว่าคาเมวาอธิวาทัญะอันนี้ก็คือความหมายว่าพระหันอยู่นสถานที่ใด ไม่ว่าอยู่ในป่าอยู่ในภูเขาอยู่ในถ้ำอยู่ในที่ร่มที่ดอนอยู่ในคาเมลหรืออยู่ในหมู่บ้านชุมชนใดชุมชนหรือกลุ่มที่พระหรหันอยู่เป็นชุมชนที่ร่มเย็นเป็นสุขเป็นชุมชนที่น่ารื่นรมเป็นชุมชนที่มีความสุขกายสุขใจเพราะอไรเพราะว่าพระหรหันอยู่ในสถานที่ใด ที่นั่นแหละเป็นที่รุ่นรมเพราะฉะนั้นวัดจตวาสของพวกเราท่านทั้งหลายกระดูกของพ่อแม่ครูบาอาจารย์อย่างที่พวกเราได้มากราบมาไหว้คู่คนทั้งหลายถ้าหากว่าผู้ที่เป็นพุทธบริษัทหรือว่านับถือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นชาวพุทธแล้วมาสู่สกลนครถ้าไม่ได้มากราบมาไหว้ พิพิธภัณฑ์ของหลวงปู่มั่นแปลว่ามาไม่ถึงจังหวัดสนนกลนครพูดอย่างกานได้เพราะฉะนั้นพระธาตุหรืออติธาตุของหลวงปู่มั่นอยู่ที่สนนกลนครแห่งนี้ถือว่าสนนกลนครของเราเป็นสิริเป็นมงคลอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานทั้งหลายได้มาร่วมกันแสดงออกซึ่งมุทิตาสักการะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีตา ต่อพระคุณขององค์หลวงปู่ของพวกเราจึงถือว่าเป็นมงคลมหามงคลอย่างยิ่งและกับท่านเจ้าคุณเจ้าคณะจังหวัดที่ท่านเป็นหัวหน้าที่จัดงานหลวงพ่อเองก็ปลื้มใจโดยเฉพาะ อ, อย่างยิ่งในงานของหลวงปู่จามมหาปุญโญเมื่อไม่นานมานที่พระราชทานเพลิงศติละของหลวงปู่จามวันที่5มกราคม57หลวงพ่อเองในฐานะที่ว่าเป็นหลาน หลานหลวงปู่จามเป็นลูกพี่ชายใหญ่ของท่านหลวงพ่อก็ได้ดูแลจัดงานก็ท่านเจ้าคุณของเรานี่แหละเป็นกำลังหลักช่วยเหลือหลวงพ่อมากหลวงพ่อจะเอาสิ่งของอะไรพวกเต้นพวกโต๊ะพวกเก้าอี้พวกอะไรต่อม้อะไรที่หลวงพ่อขอมาสิ่งไหนที่ท่านมีแปลว่าท่านเสียสละให้ให้ไปในงานเลยหลวงพ่อยัง เออปลื้มใจว่าโอ้ท่านเจ้าคุณมีน้ําจิตน้ําใจอย่างมากต่อเพื่อนต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพวกเราเพราะฉะนั้นวันนี้หลวงพ่อถ้าจะว่าไปแล้วคือหลวงพ่อมาตอบสนองนะท่านเจ้าคุณท่านว่านิมนต์ของหลวงพ่ออินหลวงพ่อก็ตอบรับทันทีเลยว่าท่านเจ้าคุณของเราเนี่ยเป็นผู้มีน้ําใจต่อหูพวกเพื่อนต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราฉะนั้นขอ ขอบบุญขอบคุณท่านเจ้าขุนไว้นโอกาสนี้ด้วยและก็พร้อมกันขอให้พี่น้องประชาชนทุกโมเหล่าที่มาร่วมกันจัดงานเพื่อแสดงออกซึ่งความกระตันยุกตวเวทิตาที่หลวงพอ่อได้กล่าวแต่ท้งนี้ทงนั้นวันพุ่งนี้นะนศทัชธายาจโจมคล้ายๆว่ามันมันับขันมันมันมาจวบเหมาะกันตั้งหลายงาน คือวันพรุ่งนี้ก็เป็นวันครอบรอบวันมรณภาพของหลวงตามหาบัวครบสามปีวันที่สามสิบนะวันที่สามสิบหลวงตาหลวงตาของเรามรณภาพคือวันพรุ่งนี้วันพรุ่งนี้หลวงพ่อก็คงจะเข้าไปพัดป่าบ้านตาดแล้วก็วันพรุ่งนี้อีกเป็นวันไหว้เจ้าอีกทีนึงเป็นวันตรุษจีนอีก และก็วันที่31เป็นวันครอบรอบ100วันของเจ้าประคุณสาเร็จพระสังฆราชอีกทีเพราะนั้นในวันสองสามวันนี้รู้สึกว่าประเดประดังนะคณศรัทธาญาติโยมถ้าว่าผู้ใดจะไปกราบไปไหว้ไปทำบุญงานครอบรอบของหลวงตาก็าไปเนะ่าเอือนาะวันพุ่งนี้นาะแล้วจะค่อยกลับมาอีกก็ได้เป็นไรไปนะ แต่งานของท่านเจ้าคุณของเรางานหลวงปู่มั่นของเราก็วันนี้เป็นวันประเดิมเป็นวันแรกแล้วก็วันพุ่งนี้แล้วก็วันที่สองวันที่สามเป็นวันสิ้นสุดของงานเพราะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้มาเป็นวันแรกอย่างวันนี้มาเห็นพี่น้องสถาญาติโฉมลูกหลานก็ใส่ชดขาวก็รุ่นแล้วเป็นผู้มุ่งมั่นเป็นผู้ตั้งใจเป็นผู้ใส่ใจใน สินในธรรมหลวงพ่อเห็นแล้วก็อนุโมทนาสาธุลึกๆในจิตใจก็มองเห็นแล้วเออพระพุทธศาสนาของเราคงจะอยู่นานเท่านานพ่อลูกหลานยังน้อยหนุ่มก็ยังเข้ายังสนใจในหลักธรรมคำสอนหลวงพ่อถือโอกาสนี้ออขออเมวยโอยพรให้กับอาณาจัทธายาตโยมลูกหลานทุกคนด้วยอำนาจคุณพร ะ, ะศรีรัตนตรัย พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั่วสากลโลกและก็บา ร, รมีของพ่อแม่ครูบาอาจารย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งบา ร, รมีของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นด้วยอํานาจคุณพระธาตุของหลวงปู่มั่นแล้วก็อํานาจพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเรารักกรบนับถือทุกๆพระองค์ขอให้มาคุ้มครอง พวกเราท่านทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความเจริญความสุขกายสุขใจปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้ความปรารถนานั้นจงสำเร็จสงความมุ่ง ม, มาตนปรารถนาทุกทุกท่านด้วยเธอ